มันมังคุณสูตรท่านสอนให้ควบบัณฑิตไงไงควบคุณพานคุณพานคือหายใจจะของพานนันเองเป็นอันดับแรกคุณพานภายนอกพานภายในแล้วมันก็เป็นคุณพานอยู่ภายในใจตัวเองมันคอยพานเรื่อยยุ่งเรื่อยเวลาไปอยู่กับครูกับอาจารย์ ได้รับการอบรมอยู่เสมอจากมันดิท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นมันดินมีความเฉลียวฉลาดหุ่บายต่างๆที่ท่านนํามาสั่งสอนเราท่านเคยปฏิบัติให้รู้มาแล้วทุกอย่างการสอนจึงถูกต้องแม่นยําเป็นที่แน่ใจได้สำหรับผู้ฟังไม่มีสงสัยแต่เพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มัน่นไม่เคยปรากฏเลยที่ท่านจะแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลย มีแต่นแน่วลงแน่วลงให้เป็นที่แน่ใจเพราะเอาความจริงมาพู ด, ดล้วนๆขึ้นถอนมาจากจิตใจที่เคยได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย้ม่แล้วรายไหนอ่อนแอแล้วท่านขู่ไปแล้วให้อ่อนแอใครร่องครางอาืออล้วเอานั้นนะเป็นโกหกอันหน่ะ ไม่ต้องหาหยุดหายาไม่ต้องมีใครดูแลรักษาห้างอืออานเป็นโอสซนแล้วสําหรับคนนั้นหากวา่การร้องการคราง ม, มันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเราจะหาหยุดหายาทํำไมนเนี่ยเวลาทัานย้อนกลับมาคก็ร้องคา้างเอาสิใครร้องค้างก็ได้เด็กร้องก็ยังได้เพราะมันเป็นประโยชน์ หรือมันไม่เป็นประโยชน์นั่นเองถึงไม่ควรจะไปล่องไปคลางไปอ่อนแอเป็นพระธรรมฐานทั้งองค์แสดงตัวอย่างนั้นมันบูได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นเด็กหรือเป็นคนธรรมดาทั่ทวไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รับการอบรมไม่ได้ศึกษาอะไรพอรู้พอเข้าใจในแนวทางที่จะต่อสู้ที่จะคิจิตพิจารณานี้เรารู้ทุกสิ่ง ท, ท, ทุกอย่างเวลาเกิดเรื่องตัวดลาขึ้นมาภายในตัวเองหาทางที่จะ รักษ า, าตัวไม่ได้มันจะล้มระเนระนาดไปเลยท่านอาจารย์มันท่านเคยสอนปลุกอีกปลุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลหาที่ไปด้วยความตั้งใจไป่ทุกสาวลมจากท่านฟังอะไรมันก็ถึงใจถึงใจถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจ ไปเรื่องเป็นเรื่องภายในเข้าใจไปโดยลำหนักอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนวิธีพิจารณาอ้าว เ, เวลามันเป็นไข้มันเอาไข้ามาจากไหนท่นาน่าที่ท่านสอนให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติมันไปหอบไข่หอบหนาวมาจากไหนมันก็มีขึ้นมานเกิดขึ้นในกายเรามีให้เหลือเวลาหายจะไปหายที่ไหน มันเกิดขึ้นมาที่เป็นเรื่องความทุกข์ทั้งมวล น, นั้นมันก็เป็นสัจธรรมถามมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าจัดสรู้โดยสัจธรรมสาวกจัสรู้ด้วยสัจธรรมเราจะจั ด, ส ร, รดสรู้ด้วยความอ่อนแอ น, นั้นได้หรือน่ะมันข้าวันนั้นหรือกระทำของพระพุทธเจา้าทางั้นเราก็มาฝังธรรมด้วยนันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอาการใดแล้วต้องถามเขาดู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 ไม่รู้ทั้งผลคือความทุกข์ไม่รู้ทั้งต้นเหตุที่มันเป็นสาเหตุมันจะแก้ทุกข์ได้ยังไงปัญญาเอหาปัญญาวไว้ทําไมทําไมไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาปัญญาก็เพื่อจิตรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของตนเองอสอนย้ํำไปโดยลำหนับกลำหนักผู้ฟังซึ่งฟังด้วยความตั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นวิสัยอ่านหานยิ่งจับได้ง่ายถูกสลิตทันทีทันที ปุ๊กปุ๊บ ป, ปนะในเวลาไปอยู่ในสถ า, านที่ใดก็เหมือนกับท่านแสดงกลางวานอยู่ในหัวใจโอ้ว่าน้วงท่านจําได้ทุกแน่ทุกกระทงที่สําคัญสําคัญส้หรับที่จะมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในสถ า, านที่สําคัญสําคัญเช่นนั้นก็หนึ่งว่าท่านมาอยู่ที่หัวใจเราเลย นี่มันก็อาหารหน้าเลยการจะเสียนรู้ทำเห็นธรรมแล้เข้าใจในอันในธรรมมันเข้าใจด้วยความอาหารเข้าใจด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ได้เข้าใจด้วยความอ่อนแอความท้อแท้ความเลีวไหลความถอยท้าบกลับแพ้โดยลำดับนั่นไม่ใช่ทางที่กิเลสจะกลัวไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขกิเลสหรือดูวด ว, ดวขงของกิเลสทั้งหลายจนกระทั้งถึงถอถอนได้ ในศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบถั่หาที่แย้งไม่มีถ้าเราดำเนินตามหลักศาสนาแล้ว เ, เรือนจาตารางตะเิงเหล่านี้ไม่ต้องมีมีทาไมเพาไม่มีใครจะไปทำผิดมองเห็นตามเหตุตามผลจอมรับความผิดถูกชั้วดีของการ ล, ละกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้สำหรับคนถราคนเรอันนี้ไม่ยอม ผิดก็ไม่ยอมรับบอกผิดเห็นตัวอยู่ก็ยังไม่ยอมรับติดตตคุกติดตลาดแล้วมาถามนังวะต้องหาว่าขโมยนั่นขโมยนี่ไปซะอีกทั้งทั้งที่เราขโมยคือความไม่ยอมรับตามเหตุผลตามความจริงนั่นเองและพภายในจิตใจก็เหมือนกันไม่ยอมรับถ้ามันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากถ้ายอมรับตามหลักความจริงแล้วจริงที่แสดงขึ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้น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 การอยู่ด้อยกันกับผู้ดีมันต้อมีความกลมกลืนกันไปโดยลําดับเช่นเดียวกับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วนั่นเองที่แรกเราไม่ได้เป็นคนชั่วแต่เวลาคบค้าสมาคมกันไปนานๆมันก็กลมคลืนกันไปเองเลยกลายเป็นคนชั่วด้วมัรู้สึกตัวและเมื่อชั่วเต็มที่แล้วก็คือว่าตัวดีนั่นแหละที่เข้าใจว่าตัวดีแล้วมันกลับ่ยไปแล้วมันไม่มองเห็นความจริงว่าชั่วเลย เกิดสรรันยอขึ้นมาว่าเราดีเราเต่งเราสามารถเราเป็นเสือทั้งอันรู้ชื่อทั้งคนน่ะเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสียพยานการคบค้าสมาคมกับครูกับอาจารย์กับบัณฑิตนักปราชญึงเป็นความสั้งคัญสําหรับผู้วังดีลความสุขความเจริญโดยลําดับสำหรับตัวเองเพราะท่านสอนทุกวันอบรมทุกวันดิยามายาติของท่านที่ เราได้เห็นทุกวันทุกวันนั้นเป็นเครื่องซึมซาบหรือบำรุงจิตใจของเราไปโดยลําดับไปยึดเป็นคติเรื่อยๆเรื่อยๆท่านพูดออกมาในแง่ไหนเป็นอัดเป็นธรรมทั้งนั้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ยิ่งอย่างที่ท่านจันมั่นเป็นความแน่ใจของท่านสิ้นกิเห็นสบางอัด้องธําของท่านปัญหาสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านชิ่นท่านไม่ได้บอกท่านเป็นทอดอาหัดอาหัดละหันอะไรเลยแต่ความจริงบอกอยู่โต้งโตรงโต้งต เราหาความจริงทาไมจะไม่เชื่อความจริงทางการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี่จริงเป็นเรื่องสาคัญก็ได้อุบายมาจากท่านจันมั่นท่านเอาจริงออกจัง เ, เวลาเจ็บไายในปว่วยมากๆสาหรับผ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดทันแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังไงแลท่านย้าลงไปเลย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 ซึ่งเราถือว่าเป็นค่าสิดต่อเราความจริงเยทนานั้นไม่ได้เป็นค่าสุดต่อผู้ใดในความรู้สึกของไม่มีอย่างนั้นเป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นนะท่านสอนให้พิจารณาลงไปทุกมากทุกน้อยเราไม่ต้องไปคิดไปคาดความหายของมันขอให้ทราบความจริงของมันด้วยปัญญาของเราแล้วใ จ, เ, จเราจะไม่โกหกเจะขอทันว่าใจเราเนี่ยไปโกหกเพราะผู้ที่โกหกมีอยู่กับใจอื มันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายทาหลายอย่มันถูกต้องความโกหกกับกับคนโง่คนฉลาดหรือคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความฉลาดของเยเลศกับของโง่ของเรามันจะเข้ากันได้ง่ายนทำท่านถึงแยกเยะให้พุทธนา จนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจรงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปะดูลํำดับลำหนักเอาแยกแยกให้มันเห็นทุกขี้นทุกอันยาแยกจิตหนีไปไหนอนทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นอพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องก็จ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุทั้งมันมันเป็นมาจากไหนก็ให้ค้นลงไปคําว่าทุกมันมีอาศัอาายอะไรเป็นที่ตั้ง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 แล้วก็อยากให้ทุกอันนี้ที่ว่าเป็นตนเป็นของตนนี้หายไปนี่แหละมันแยกกันไม่ออกทุกมาเป็นตนแล้วจะไปแยกกันออกได้ยังไงถ้าไม่เห็นว่าทุกเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากร่างกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากนี่มันถึงจะแยกได้ถ้าว่าสิ่งอันนี้เป็นตนแล้วแยกมันยังขํามันก็ไม่ออกเพราะอันนี้เป็นตนจะแยกไหนตนไม่แยากจะไม่ได้อยากให้หนีไปไหนเนี่ยเป็นตนหนึ่งนันนี่มันมาเข้าเป็นอันเดียวมันแยกกันไม่ออก เรเจะดาพิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วมันต่างอันต่างอยู่จริงของใครของเราอยู่เช่นนั้นอย่างซึ้งภายใน จ, ใจิตใจเมื่ทุกข์ค่อยระงับลงไประงับลงไปก็รู้แล้วเครื่องสื่อต่อของทุกข์ที่จะให้เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับใจมันก็ออกไปจากใจมันค่อยหกตัวเข้ามาหกตัวเข้ามาถึงใจทีเดียวเรื่องเรื่องทุกขเวทนามันออกไปจากใจที่ไปหมายเนี่ยที่เป็นทุกขเพราะมัน มีสายสัมพันธ์เกี่ยวม่วงกันอยู่โดยทางอุปทานอย่างลึกลับเราไม่ทราบเวลาพิาจารณาฉะนั้นอย่างชัดเจนนะเราจึงจะตามจังหวะทุกเวทนาเข้ามามันลูกเข้ามาลูกเข้ามาหดเข้ามาจนก็ดรุ่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจพอทราบว่าใจนี้เองเป็นตัวไปก่ออุปทานขึ้นมาแล้วถือทุกข์ว่าเป็นตรงจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมากมาย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 คือบอกผู้สี่มี่สำหรับผู้ดําเนินกําลังดําเนินปฏิปัทาคือกําลังดําเนินเพื่อความรู้เท่าทันกับขังห้ามีเวทนาขันเป็นต้นคือทุกขเวทนาเป็นข้อมขันแต่สําหรับท่านผู้ที่เข้าใจโดยตลอดทั่วถึงเป็นอากุ ป, ปะคือไม่มีสิ่งใดที่จะกาเนิดเป็นอื่นไปแล้วนั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เป็นทุกมากทุกน้อยไม่มีปัญหาทั้งสิ้น เพาะจริงอยู่ตลอดเวลาถ้า ม, มีเวลาไหนที่จิตของท่านที่บลิกสุดแล้วจะกลายเป็นความสมองจะกลายเป็นโลกขึ้นมาไม่มีทางจะเป็นได้เช่นนั้นะฉะนั้นอาการหนึ่งขันเดระแดงขึ้นมาอย่างไรท่านจึงทราบตามหลักธรรมชาติอันนั้นก็เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของเขาดับไปตามธรรมชาติหรือตั้งอยู่ตามธรรมชาติแล้วดับไปตามธรรมชาติของเขาจิกระรู้ตามธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชากันแต่างแต่อย่างใดนี่คือจิตของท่านผู้ที่ รู้รอบขอคิดโดยตลอดทั่วถึงแน้เป็นอย่างนี้ที่เรากําลังพิจารณาก็เพื่อจะให้มันทราบแถวแนวเท่เป็นลำหนับแม้จะไม่เป็นอย่างนั้นในระยะที่เราต้องการนี้ยังไม่สมหวังก็ตามแต่แนวทางที่เราจะพิจารณาทุกทั้งหลายเพื่อแยกกิจของเราออกจากทุกไม่ไปพัวพันในทุกและไม่ถือทุกว่าเป็นตนเมื่อเวลาทุกเกิดขึ้นมากาหรือน้อยก็าตามไม่ไป พออกอทุกข์นั้นมาเป็นตนแล้วมาเผาตนเราก็สามายเพราเรารู้เท่าเทียทุกข์เพราทุกข์ยินเป็นหินลับสติปัญญาของเราเอา้ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรก็ตามให้กําหนดสติปัญญาจ้องอยู่ตรงนั้นแล้วถอยกลับมาดูจิตแล้วขยายออกไปออกความรู้ออกไปหาทุกเวทนาออกไปหากายมันเป็นคนละสัและส่วนอย่อยางชัดเจนกายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่ง ถอยกันไปถอยกันมาอยู่นี่เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งหลายหนเรเข้าใจก็สซูมทราบซึ้งลงไปโดยลำดับลำดับทีนี่แยกกันได้เ้ื่อำนาของปัญญาหนึสมมติว่าถึงคราจะแตกจะดับจริง ๆ, ๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แลวไม่ต้องกลัวว่าทุกข์เราจะล่มจมให้ไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาที่เป็นนอยู่ตกับทุกขเวทนาอยู่แล้ว คือจิงเราอยู่กับสัจธรรมอู่กับหินรับปัญญาปัญญาที่คงต้าจิตเราจะผ่องใสเป็นล ำ, ำดับเพราะเรื่องของปัญญาเป็นสําคัญฐานรับณนะขณะนั้นนั่นก็มีปัญหาอะไรให้มีทางล่มจงประการหนึ่งถ้าลงมืสติปัญญาต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาอย่างไม่ถอยหลังแล้วขณะมันจะหนัีจริงมันก็จะทราบว่าทุกขเวทนานี้จะระงับดับไป ส่วนศิกจะไม่ดับมันจะถอยตัวเข้ามาลูดโดยลำพังตนเองแล้วผ่านไปเลยอย่าง น, นแต่เชื่อแน่ว่าผู้มีสติแน่จะยังไม่เป็นผู้สิ้นจากที่เร่ก็ตามจะทราบชัดในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ตนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้แล้วจะสลายตัวไปเรียกว่าจะตายเราจะทราบจงกระทั่งขณะทุกเวทนาจะระงับดับตัวลงไป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 เราทราบชัดเจนแล้วปล่อยมันไปทางจะร่างกายคนไม่ไหวมันปล่อยเวทนาไม่ต้องบอกมันไปของมันเองเรียกว่าสุขขัตัวเหตุการพิจรารณาจิตใจเห็นประจกักษ์สำหนักผู้ปฏิบัติถึงข่าวเจนตัวสิ่งแล้วไม่หวังเพึ่งใครทั้งนั้นไม่ว่าจะมิตรเพื่อนฝูงใครต่อใครทั้งหมดต้องถอยจิตออกมาให้หมดกับสิ่งเกี่ยวข้องพอพันทั้งหลายเข้ามาสู่จุดที่มันกําลังประจัน จะลุมบอลกันอยู่เวลานี้คือทุกเวทนานั่นแหละสําคัญในขณะที่จะแตกกระดับเราไม่ถอยเป็นยังไงเป็นกันขอให้รู้ให้เข้าใจกับเรื่องนี้เท่า น, นั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าการพิจารณาทุกเวทนาวุ่นวายนี้แล้วเวลาตายแล้วจ <c oughs> ิตมันกําลังวุ่นอยู่นี่มันจะไไปทุกข์หรือจะไปที่ไหนวุ่นกับวุ่นกั บ, บงานอันดีอันชอบนี่วุ่นด้วยทั้งรู้ไม่ใช่วุ่นด้วยความหลงนี่เราต้องเราพิจารณาเราค้นเราค่อยอย่างนั้นเวลามันจะดีไปดีเวลามันจ ะ, นจะไปจริงมันรู้นี่ ผู้มีสติอินท่า น, นถอยภาพเข้ามาทันทีปล่อยนั้นทันทีแล้วถอยภาพเข้ามาสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวคือจิตต้นร้วนแล้วผ่านเลยนี่เรียกว่าสุขโตเป็นภูมิของผู้ปฏิบัติแม้จะไม่สิ้นชีเิตก็ตามก็จะแบบเต็มเต็มก็มีพลังเต็มตัวเป็มภูมิการพิจารณาปิตตภาวนาจึงเป็นเรื่องสาคัญมากและพึ่งเป็นพึ่งตา ก, กันหน้าจริง ต้องหวั ง, งทื่อข่ายทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจภายในตัวเองสติปัญญากําลังจิตของเรามันรู้ภายในตัวไม่ต้องประสารข่าเป็นคนจัดท่านอยาถ้าหากว่าเราสามารถพิจารณาจนกระทั่งมันขาดได้ในขนานั้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดได้เล ย, เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคารว่าเราไม่สามารถที่จะทํา พระนิพานให้แจ้งอันนั้นเป็นความสาคัญผิดท้องเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลี่ยหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันทํามันเป็นของจริงเสมอกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคารวะสติปัญญามีได้ด้วยกันแก้กิเลี่ยได้ด้วยกันเมื่อพอจะแก้กิเลี่ยได้ด้วยอุบายใดวิธีใดของหญิงใดชายใดคารวะใดพระองค์หดก็ตามสามารถแก้ได้ทั้งหมดและพ้นผูกไปได้ด้วยกันเราไม่เราไม่ต้องไปคาดหมายเสียเวลาว่าเรามีอํานาจรัตนาน้อยอย่าไปคิดอืม เรากำลังสร้างอางนี้มากหรืนอน้อยก็เห็นด้วยกับจิตนี่แหละที่จะนามมันโง่อที่ตรงไหนพยายามสังสมความฉลาดขึ้นมานี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมของวิญญาณแท้ถีงเรามาตมิติต้นมากอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้หรือไปที่ไหนคนนั้นแซงเราคนนี้แซงเราเนี่ยมันเราสําคัญในต่างหากเราก่อทุกให้เราเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองนั่นหาอบายฆ่าตัวเองมันรู้สึกตัวนะอาจจะไปคิดอย่างนั้นวาทะนาเต็มตัวทุกคนทำไมจะไม่เต็มตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบําเพ็ญอยู่ด้วยกัน หฮาาสนาไม่ใช่เป็นของออกมาตลาดร้านค้าพอจะประกาศยึอแข่งขันกันมีอยู่ด้วยกันทุกคนท่านไม่ให้ประมาทกันเรื่องอํานาจศาสนามี่อยู่พายในจิตใจด้วยกันทุกคนแม้ถ้ศาสตร์ท่านจะไม่ให้ประมาทที่ดีดิมันมีอยู่ภายในจิตใจของศาสตร์นะ่ารแก้ที่เหลือต้อเหมือนกันเราไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาเวลาเป็นการทําลายกําลังของตัวเองหรือความมุ่งมั่นของตัวเอง ให้ด้อยลงไปด้วยการชิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายหรือเราเป็นนักบวชเพราะเราเมื่อเราไม่ได้เป็นนักบวชเราอยู่คณะวาสอันนั้นเป็นความหมายหนึ่งใัตงหาส่วนความที่ถูกต้องจริเป็นแล้วเราทําความเพียรนะด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะแก้กีเหลียดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดทุกนักบวชท่านเนี่ยทําเป็นทำเหมือนกันหมดผู้หญิงก็ก็มีได้สติปัญญาเพราะผู้หญิงผู้ชาย มีกิเลสด้วยกันการแย่กิเลสแย่ด้วยสติแย่ด้วยปัญญามีความเพียนเป็นเครื่องหนุนและกิเลสไม่อยู่ไหนมีอยู่ที่ใจด้วยกันเมื่อสติปัญญาทันกันเมื่อไหรแล้วเป็นผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีปัญหาไจะต้องเป็นรัก บ, บวกนี่คือความจริงแห่งปัจจะทําที่ไม่เลือกชาติชัน้นบรรณะบรรดาที่เป็นมนุษย์แล้วไม่เลือกเพศหญิงเพศชายห้อยบำเพ็ญเพราะทำเป็นกลาง ฟังได้เข้าใจได้โดยการท่านหญิงทั้งชายท่านนักบวชและคารวะปฏิบัติได้แก้ทีเลดได้ทิเลดก็ไม่นด้โยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่ทีเลดด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่พระเป็นนักบวชมันก็มีกิเลจะช่ไหมท่านไม่ต้องแก้ของท่านเนี่ยท่านไม่แก้ก็นอนจมอยู่กับกี่เลดเช่นเดียวกับคนทั่ทวไปนั่นแหละหรือยิ่งมากกว่านั้กนก็ได้ไม่สําคัญกับพระมเาเป็นนักบวชมันสําคัญคือการแกร้กิเลดด้วยความภาคเทียนนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเราต้องสนใจในจุดนี้ แล้วความพ้นทุกพ้นที่ไหนพ้นที่มีทุกนั่นแหละแก้ทุกได้แลว้วก็พ้นทุกถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นเพศไหนก็ตามแต่นอนจมลึกลึกลทุกข์ด้วยกันเฮียวาสนาอยู่ที่จิตถ้าทําให้อาภาพัพอาภัพได้อยู่ที่จิตของเราเนี่ะจะเป็นนักบวชคารว่ากันั้นอาภัพได้ทางนั้นจะทําให้วาสนาหรือศาสนารุ่งเรืองขึ้นภายในใจิตใจก็ทําได้ศาสนาจเจริญเจริญที่ไหนจเจริญที่ใจไม่จเจริญที่อื่นสําคัญที่ใจ สำคัญที่การปฏิบัติของคนเราทิฏฐิมัญญาการประพฤติแสดงออกก็เมื่อใจมันเจริญนั้นมันเจริญทั้งนั้นนหละทิฏฐิมัญญาที่แสดงออกสวยงามน่าดูน่าชมแต่เฉพาะอย่างยิ่งใจถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองภายในติภายในตัวมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่เสมอแล้วว่าเรียกว่าใจที่มีความเจริญที่เล็กไม่ค่อยจะมาทําลายได้อืียกว่าศาสนาเจริญเอาพยายามพิจารณาแก้ไขไปโดยลํำดับไม่มีกว้างไม่มีแคบมันมีมากมีมาอะไรนี่อยู่ที่ความใจเท่านั้น พัฒนาลงไปที่ตรงนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแลว้วหมดแล้วว่าดนี่อยู่ที่หัใจได้วยกันหนาแน่นขนาดไหนเราคิดดูอย่างความมืดมันจะมืดมาตั้งกับทั้งกันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นเนี่ยความมืดมันหายไปหมดมันไม่เห็นอะไรมาอวดว่าฆ่าเคยมืดมาตั้งกับทั้งกันแล้วเพียงไฟที่นี่จะมาเปิดให้กขาไลก่กความมืดเข้าเจ้าออกนี้นั่นเป็นแต่แนไ่ได้มั้นไม่มีทางเมื่อเหตุผลมันพร้อมกันแล้วมันหายไปหมด ความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะเกิดมาตั้งกับตั้งกันมันดับไปหมดพิเรศมันจะหนาแน่นต่อย่างไรก็ตามขอให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะปัญญาสามารถแล้วมันรอบตัวทันทีพิเลศก็เคยอดในจิตใจเรามาตั้งกับตั้งกันก็เช่นเดียวกับความมืดที่เคยมีอยู่นั่นแหละพอตามพายขึ้นมามันก็สว่างช้าในตามปัญญาขึ้นมาภายในจิตมันก็สว่างค่าด้วยกันทั้งนั้นนี่มีเท่านี้เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องพิจารณาหาให้เห็น ศาสนาอัจาริยะอัจฉริยที่ไหนศาสนาเจริญเจริญที่ไหนไปยินว่าถนพ้นทุกพ้ทุก พ, พ, พ, พ, พ, พ้นที่ไหนมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นขยายมาก็อสัจธรรมทุกขโมทไยนิโรธมากทุกเราก็สร้างว่าทุกเพราะเราไม่ใช่คนตายขโมยไทยคือสิ่งที่จะเสริมส่งเสริมทุกให้เกิดเป็นเครื่องผิดทุกให้เกิดนี่อะไรบ้างท่านกล่าวว่านั้นที่ราคาสหัตาตาตาตาตาเพียงมีเส้ยที่ดำกำ กล้ามานาเพว่าตนาวิภาวะตันหาเป็นต้นเนี่ยเ้าก็ทราบอะไรที่มันรักมันใขรักใไ่ในสิ่งใดบ้างเราก็พยายามแก้ไขมันรักไขในขันห้าเอาเฉพาะอย่างยิ่งรัะในขันห้าพยายามรู้เท่าทันมันโดยลําดับเอารักไขในจิตห้ิตในจิตสมุนในจิตแก้ไขมันพอมันรักที่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวที่เล็มันอยู่ที่ตรงนั้นเนีแก้เข้าไปแก้เข้าไปจนกระทั่งมันถึงความจริงแล้วไม่รักไม่ชาง ถ้าหมดแล้วเรื่องกิเลสหมดแล้วความรักความทางความเปรียบความโกรธนันก็ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติภายในตัวล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมชาติที่ต้องการแล้วการพิจารณาก็คือมากแก้สมุทัยไปในตัวเช่นความรักความทางเป็นต้นเนี่ยแก้ภ า, ายในจิตท่าน นิโรธก็คือลำดับทุกข์นั่นเองดับไปโดยลําดับดับจนกระทั่งมีความสามารถเต็มที่แห่งมากแล้วนิโรธก็ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือขณะที่นิโรธดับไปหมดแล้วนิโรธดับทุกไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่าทุกดับไปที่เรียนดับไปอะไรที่รู้ผู้รู้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นี่นอกจากสัจธรําไปเพื่ออันนี้ชัจจานั้นสัจธรํานั้นเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติต้อง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 แท้อยู่ที่ตรงนี้พน้นในการปฏิบัติศาสนาก็มารู้ที่ตนเองเนี่ยศาสนาจเจริญเจริญที่นี่พระพุทธเจ้าท่าสอนให้สันโลกพ้นจากทุกข์พ้นที่นี่เองไม่พ้นที่ไหนออืเราก็เป็นสันโลกผู้หนึ่งและอยู่ในขายแห่งโอวานธรรมสองฤเจ้าอยู่ในขายแห่งความพุทธบริษัทออืเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ด้วยกันในการพุทธปฏิบัติการตัดถอนกิเลสให้พ้นจากทุกในบริษัทสี่นี้มีสิทธิ์ที่ด้วยกันทั้งนั้นที่จะทําจนให้แจ้งถึงผลิภานได้ ขคอยพิณิพิจนาทำความกล้าหาญต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ภารในจิตใจของตนทังสมความกล้าหาญสังสมส ต, ติปัญญาขึ้นให้เพียงพออุหาอุมาคิดค้นต่างๆให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยคิดค้นเองนั่นแหละเป็นที่ชอบทำเป็นสมบัติของตนแท้ครูบาอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้เป็นขึ้นเป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาพอเป็นเงื่อนหรือพอเป็นเชื้อที่เราจะนําไปพิณิพิจณาให้แตกแขนงกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาถ้าอันใดที่เกิดเป็นสมบัติ ของเราขึ้นมาด้วยอุบายของเรานั้นกินไม่หมดมันหักคิดหักพ้นไปร้อยแต่ทำบการเพื่อถอดถอนกิเลสในแง่ต่างๆเอาจนกรทั่งกิเลสหลุดลอยไม่มีเหลือเพราะอุบายของเราเองทั้งนั้นนี่โดยที่อาศัยครูบาอาารหยิบยื่นให้เป็นต้นทุนนี่แลเป็นธรรมของเราแท้เกิดขึ้นมากน้อยเป็นธรรมของเราทั้งหมดถึงนี่เป็นสมบัติของเราแท้เราเรียนจากผูู้จากจากกสำนักํานาก็เป็นของโวยเจ้าหยิบยื่นท่านมาจากครูบาอาจารย์ก็หยิบยื่นท่านมา เพีนแต่ว่าจริงแะที่เวลาท่านแสดงมันเข้าใจในขนาดนั้นแก้กิเลสในขนาดนั้นก็เป็นสมบัติของเราขึ้นมาในขณะที่ฟังเพราะขนนั้นเราเขาแยกไปจาก อ, าอุบายท่านไปพิจารณาใค้ควรแตกแขนงออกขึ้นด้วยอุบายของเราเองเป็นสมบัติของเราทั้งฝ่ายเหตุคือการ พ, พิจิตรพิจารณาทั้งฝ่ายผลคือที่เราได้รับเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นั้นเป็นผลเราล้วนๆนี่อยู่กับเราไม่มีผู้ใดามาแบ่งสรรปันส่วนเอาได้เลย นี่แหละความเลือดเลิอดขึ้นที่นี่ไม่เลิอที่ไหนแหละท่า น, นพยายามหาความเลิอควา ม, มสระเสริฐซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความเลือดควา ม, มสระเสริฐแต่เวลานี้มันถูก ส, กสิ่งเกรปรงโสมมหาคุณค่ามาด้านนั้นปกคลุมห้องหอยอยู่จรงการเปินของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็ขือใจนี้แหละเวลานี้เรากาลังคทำรอกปอกหนึ่งโดยเดินแบบโดยระดับแบบหกปอกให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลิอขึ้นมาเลิอที่ตรงนี้เล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอถึงเมืองพอ อ้าวยุติเพียงเท่านี้มัพอแล้วจ้